เรื่องมีอยู่ว่าที่บ้านน้อยในป่าใหญ่หลังหนึ่งมีพ่อกับลูกชายลูกชายในอายุก้าขวบแถมเป็นใบอาศัยอยู่ด้วยกันพ่อเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในาศาสนามากทุกๆเช้าและก่อนนอนพ่อจะนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปแล้วก็พร่ำสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังเป็นเวลานานด้วยความที่เคร่งครัดในาศาสนาพ่อก็อยากจะให้ลูกชายมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับตัว แต่ว่าเนื่องจากลูกชายของเขาเป็นใบ้ไม่สามารถจะออกเสียงสวดมนต์ได้ก็เลยต้องจาเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วก็รู้สึกไม่สมหวังดังใจในตัวลูกชายอยู่ลึกๆเพราะว่าเกรงว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกชายจะเป็นคนไม่ยึดมั่นในศาสนาประพฤติตนเป็นคนไม่ดีแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นวันหนึ่งหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วพ่อก็เรียกลูกชายให้เข้ามาหาในห้องพะ เสร็จแล้วก็ยื่นเงินให้จํานวนหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่ลูกเอ้ยเจ้าจงเอาเงินนี้ไปเลือกซื้อกล้วยหอมที่งามที่สุดมาให้พ่อสักหวีหนึ่งนะพ่อจะเอาไปทำพิธีบูชาพระเพื่อจะเป็นสติมงคลแก่ชีวิตเราจําไว้นะลูกว่าต้องเลือกเอาหวีที่ดีที่สุดเท่านั้นนะ่ะและเจ้าต้องกลับมาให้ทันก่อนเวลาพระอาทิตย์กรงหัวด้วยนะอย่าให้เกินเที่ยงผู้เป็นพ่อกําชับ ลูกชายก็พยักหน้ารับคําเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปจกนกระทั่งบ่ายคล้อยลูกชายก็ยังไม่กลับมาพ่อก็อ ง, งุศงิดโมโหลูกชายเป็นอย่างมากที่กล้าขัดคําสั่งทะเลาถไลไม่ยอมกลับบ้านจนทําให้เขาไม่ได้ทําพิธีบูชาพระอย่างที่ตั้งใจไว้อ่าเขาก็เดินไปหยิบไม้เรียวยืนจังก้ารอลูกอยู่ตรงประตูบ้านหลังจากนั้นไม่นานลูกชายก็กลับมาถึงบ้าน แล้วทันทีที่ได้เห็นหน้าลูกพ่อก็เอาเลยมัวจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนถึงได้พึ่งจะกลับเมาป่านนี้รู้ไหมเพราะแก่คนเดียวมาช้าเนี่พ่อต้องพลาดพิธีบูชาพระวันนี้ไปนี่มันเลยเที่ยงไปแล้วมองไม่เห็นกล้วยหอมในมือผู้เป็นลูกด้วยทีนี้ก็ยิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกพ่อให้เงินแกไปซื้อกล้วยหอมฮะแล้วไหนกล้วยหอม ไม่มีกล้วยหอมสักลูกหนึ่งเอาเงินกลับมาคืนให้พ่อเดี๋ยวนี้นะแต่ลูกชายก็ไม่มีเงินคืนให้พ่อของเขาเขาสายหน้าแล้วก็ทำไม้ทำมือเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างฝ่ายพ่อในแค่รู้ว่าลูกไม่ได้ซื้อกล้วยหอมแล้วก็ไม่มีเงินมาคืนก็โกรธจนขาดสติด้วยคิดว่าลูกคงจะเอาเงินไปซื้อขนมกินหมดเงื้อไม้เรียวกระหน่ำฟาดไปที่น้องของลูกอย่างแรงปรับปรับ เด็กชายได้รับความเจ็บปวดมากแต่เขาพูดไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงร้องครางขอความเห็นใจจากผู้เป็นพ่อซึ่งขณะนี้ไม่มีแกใจรับฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นจากลูกชายเพราะแกไม่สวดมนต์เนี่ยแกก็กลายเป็นคนเลวเห็นไหมเนี่ยลูกไม่รักดีอย่างเงี้ยสู้ไม่มีซะเลยจะดีกว่าผู้เป็นพ่อเขาว่ายังโน้ตว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็ลงไม้เรียบนน้องของลูกชายต่อไปอย่างไม่ยั้งมือเวลานั้นเองก็มีเสียงเคราะประตูดังขึ้น พ่อก็เลยหยุดเคี่ยนตีลูกชายแล้วก็เปิดประตูออกไปดูพบหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่แขนข้างหนึ่งของผู้หญิงคนนี้อุ้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเอาไว้ส่วนแขนอีกข้างก็คล้องตะกร้าใบใหญ่ที่มีผ้าคลุมปิดของที่อยู่ภายในมีอะไรถึงต้องมาเรียกข้าตอนนี้ชายผู้เป็นพ่อก็ถามอย่างแปลกใจเขาไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วก็ลูกสาวของเธอมาก่อนผู้หญิงก็บอกว่า ค่ะแล้วก็ลูกสาวนำของกำนันมามอบให้แก่ครอบครัวท่านคงจะผิดบ้านแล้วละ่ะข้าไม่เคยรู้จักนางหรือว่าลูกของนางมาก่อนเนะี่ยหากท่านเป็นพ่อของลูกชายใบ้ซึ่งเปี่ยมด้วยความเมตตานะก็เห็นจะไม่ผิดหรอกนางพูดพร้อมกับยิ้มไปด้วยพ่อก็รู้สึกพิศวงมากอ่าที่ผู้หญิงคนนี้รู้จักลูกชายของเขาเขาก็เลยสอบถามเรื่องราวทั้งหมดของนาง ซึ่งได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังบอกว่าข้าเป็นหญิงไม้มาจากต่างเมืองเมื่อสามีตายเมืองนั้นก็ไร้ที่พึ่งข้าก็ต้องอุ้มลูกเดินทางรอนแรมเพื่อมาตามหายาตที่เหลืออยู่ในเมืองนี้แต่กว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลานา น, านมากเงินที่ติดตัวมาก็ร่อยหรอทำให้ขากับลูกไม่มีอะไรจะกินมาสามวันแล้ว ขณะที่เรายังตามหาญาติไม่เจอแล้วก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็อเผอิญเห็นลูกชายของท่านเดินถือกล้วยหอมอย่างามผ่านมาพอดีลูกสาวของข้าเห็นเข้ากดทนความหิวไม่ไหวก็วิ่งเข้าไปจะหาลูกชายท่านเพื่อจะข อ, อกล้วยหอมกินแต่ยังไม่ทันจะวิ่งไปถึงลูกสาวของข้าก็หมดแรงล้มลงไปเสก่อนข้าก็รีบวิ่งตามลูกไปแล้วข้าก็หมดแรงล้มลงเหมือนกัน ลูกชายท่านเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้ามาช่วยพวกเราแล้วก็ส่งกล้วยหอมให้เราสองคนแม่ลูกกินทั้งหวีนอกจากนั้นก็ยังหาน้ำดื่มมาให้ด้วยหากไม่มีลูกของท่านชีวิตของเราก็คงจะไม่มีแล้วต้องขอบคุณลูกชายท่านมากจริงๆกล่าวจบผู้หญิงคนนี้ก็ส่งตะกร้าจากมือนางให้แกชายผู้เป็นพ่อแล้วก็จากไป ชายผู้เป็นพ่อก็เปิดผ้าคลุมออกดูพบว่าในตะกร้านั้นเต็มไปได้วยกล้วยหอมหวีงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนอกจากนั้นยังทำให้เขาฉุกคิดถึงอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยคิดมาก่อนชายผู้เป็นพ่อก็รีบกลับเข้าไปในบ้านตรงเข้าไปสวมกอนลูกชายพรำรำพันคำขอโทษต่างๆน า, น า, นาลูกรักของพ่อเอ้ยอาภัยให้พ่อที่โง่ขาวคนนี้ด้วยเถอะ พ่อนั้นคิดเสมอว่าการสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังนี่จะทําให้พ่อเข้าถึงกันแห่งพระธรรมได้นอกจากนั้นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกล้วยหอมอยู่เสมอก็อจะทําให้พ่อได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่พ่อคิดฉาบฉวยเกินไปกล้วยหอมของลูกและของพ่อนั้นคุณค่าต่างกันกล้วยหอมของพ่อมีไว้เพื่อบูชาพระพุทธรูปแต่แท้จริงแล้วพ่อทําไปเพื่อตัวเองทั้งนั้น แต่กล้วยหอมของลูกนะั้นมีคุณค่าถึงขนาดช่วยชีวิตคนอื่นให้รอดพ้นจากความตายได้เลยทีเดียวและพ่อคิดว่าขณะ น, นี้พระพุทธองค์คงกำลังให้พรในความเมตตาการุณาของลูกอยู่ก็เป็นได้ครับสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น เราอาจจะให้ความสําคัญกับบางสิ่งบางอย่างอย่างมากมายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นช่างมีคุณค่ามากนักแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์จริงๆหรือไม่เคยรู้วิธีที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยสิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่ามากมายอะไรนักหนาหรอกครับอีกเรื่องหนึ่งที่ด็อตอร์อาจองค์เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังก็คือเรื่องผู้ที่ได้รับพร นะครับเรื่องมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่แคว้นใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีปเกิดข่าวลือว่าฤาษีโกมุดผู้มีคุณธรรมแล้วก็มากด้วยอิทธิปาฏิหารกํกำลังจะเดินทางมาให้พรแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแคว้นนี้คนหนึ่งก็ถามกันว่าเออข่าวที่ว่าฤาษีโกมุดผู้ศักดิ์สิทธิ์จะเดินทางมายังแคว้นของเราน่จริงหรือเปล่าใช่แล้ว ข่าวบอกว่าถ้าหากพระท่านฤาสีเดินทางไปเยือนชาวบ้านแววนไหนก็มักจะให้พรแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหวนนั้นด้วยว่ากันว่าพรของท่านันศักดิก์สิทธิ์เหลือกเกินละอีกคนก็ถามว่าแล้วท่านจะให้พร อ, อะไรกับพวกเราเหรอก็คงจะเป็นพรทั่วไปลมะมั้งอย่างเช่นขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยธรรมมาค้าขึ้นอะไรแบบเนี่ย เออได้ข่าวว่าหากท่านพอใจใครเป็นพิเศษท่านก็จะให้พรที่ทาให้อายุมั่นขวัญยืนแก่คนคนนั้นด้วยนะอา้าวแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าฤาษีโกมุตเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเปื่อบังเอิญแค่ได้พบท่านฤาษีที่ไหนที่หนึ่งเขายาได้นอ่ำอทําตัวให้ท่านพอใจขึ้นมาบ้างและบางทีท่านอาจจะอวยพรในข้าอายุยืนยาวบางก็ได้อะเอเอเรื่องนิ่มลึกลับมากนานๆนนครั้ง เท่านั้นที่ท่านดุษฎีกมุตจะปรากฏตัวให้ผู้คนพอเห็นแล้วแต่ละครั้งที่ท่านปรากฏตัวก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้คนไม่ใช่น้อยอ้าวทาไมอย่างนั้นอะ่ะก็ท่านมักจะปรากฏตัวในลักษณะแปลกๆบางก็ว่าบางครั้งท่านแปลงกายมาในรูปอืมชายหนุ่มรูป ง, งามบางครั้งก็เป็นคนอ้วนพุงพลุยบางครั้งก็เป็นเสือบางทีก็เป็นลิงโอ้ยแปลกๆทางนั้นน่ะทีนี้ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรูปร่างของท่านเป็นยังไง แต่ว่ากันว่าหากถึงเวลาที่ท่านต้องการให้คนอื่นรับรู้ตัวตนท่านแล้วล่ะก็ศีรษะของท่านก็จะมีประกายรัศมีส่องสว่างออกมาเองอะ่ะโอ้โหมันเป็นไปได้ขนาดนั้นอยู่เหรออืมเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อีกสามวันน่ะท่านฤาษีจะมาถึงแล้วยังไงเสียข้ะจะต้องไปรับพรในจงได้อะข้าก็เหมือนกันเมื่อถึงวันนั้นแม้ข้าจะไม่สบายจนล้มหมอนนอนเสือข้าต้องให้เมียลากเสื่อลากที่นอนไปขอพรให้ได้เหมือนกัน นอกจากชายสองคนนี้แล้วข่าวการมาของนักบวชฤาษีโกมุตก็ยังเป็นที่สนใจของคนอื่นทั่วแคว้นจนวันสองวันมานี้รู้สึกว่าทั่วทั้งแคว้นจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับฤาษีโกมุตให้พูดถึงเท่านั้นมีหญิงชราพเนจรนางหนึ่งได้เดินทางรอนแรมมาอาศัยอยู่ในกระท่อมร้างท้ายตลาดของแคว้นนี้หลายวันแล้วนางเองก็ได้ฟังข่าวการมาของฤาษีจากชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมาหน้ากระท่อมของนางอยู่บ่อยๆ ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไปเข้าเฝ้าหรือศีโกมุตเพื่อรับพอรอย่างแน่นอนยายยายก็ไปด้วยสิยายอยู่คนเดียวแบบนี้ลําบากนะเผื่อว่าท่านให้พรมาแล้วชีวิตยายจะได้ดีขึ้นไงล่ะฮะยายต้องไปอยู่แล้วเออแล้วท่านฤาษีจะมาถึงวันไหนเวลาไหนล่ะพรุ่งนี้เช้าท่านก็มาแล้วยายตรงต้นไม้ใหญ่จุดนัดพบกลางเมืองอ่ะแหละ รุ่งเช้าผู้คนในแคว้นก็เริ่มทยอยเดินทางไปยังต้นไม้ใหญ่กลางเมืองอย่างไม่ขาดสายหญิงชราก็นั่งมองผู้คนเดินผ่านหน้าบ้านของนางสักพักพอเห็นว่าผู้คนเริ่มซาลงแล้วนางก็เดินกระย่องกระแย่งออกจากบ้านโดยมีไม้เท้าแกะเก่าๆในช่วยพยุงร่างกายอันผอมแห้งแรงน้อยเอาไว้แต่เดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็หยุดเดินล้มตัวลงนั่งตรงหินก้อนใหญ่ที่ข้างทางนั่นนอะ ชาวบ้านยังคงมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มีข่าวว่าฤาษีโกมุตจะมาปรากฏตัวให้พรหลายคนก็เร่งผีเท้าเป็นการใหญ่เพื่อให้ไปถึงที่แห่งนั้นโดยเร็วไม่มีใครให้ความสนใจหรือว่าสังเกตหญิงชราซึ่งนั่งตัวงองุ่มหน้าสงสารอยู่ตรงก้อนหินใหญ่นั้นเลยครู่หนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมายังที่ที่หญิงชรานั่งอยู่นางมองไปก็เห็นเด็กหนุ่มเด็กสาวท่าทางมั่งคั่งห้าคนนั่งมาบนหลังมา้า แล้วก็มีคนรับใช้เดินตามหลังขบวนอีกกลุ่มหนึ่งทั้งห้าก็ส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานดังลั่นมาตลอดทางพอหญิงชราเห็นอย่างนั้นนางก็รีบลุกขึ้นเดินแล้วเดินก็ไปหาพวกเด็กหนุ่มสาวคุณหนูคุณหนูหนุ่มสาวทั้งหลายจะเดินทางไปที่ไหนกันละจ๊ะเนี่ยเด็กหนุ่มผู้ขี่มานำขบวนแล้วก็รู้สึกจะมีฐานะมั่งคั่งที่สุดในกลุ่มพวกข้าจะไปเฝ้าฤศีกมดผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยายมีอะไรถึงมารบ ก, กวนขบวนของพวกข้าแบบเนี้ยสวรรค์สงโปรดเถอะยายเองก็กําลังจะไปที่นั่นเหมือนกันพวกหนูช่วยพายายเดินทางไปกับพวกหนูด้วยได้ไหมจ๊ะแต่ว่าเด็กหนุ่มสาวทั้งห้าพากันจ้องมองดูหญิงชราอย่างไม่สบอารมณ์เด็กสาวหน้าตาหน้าเกลียดแต่ว่าสวมเสื้อผ้าสวยงามว่าใครเพื่อนใส่ทองหยองเต็มตัวก็ทําหน้าล้อเลียนหญิงชรา ส่วนเด็กสาวอีกคนที่นั่งมาตัวถัดไปและหน้าตาหน้าเกลียดพอๆกันอ่าก็พูดออกมาบอกว่าจะไปเฝ้าท่านนักบวชทำไมกันนะยายไม่มีประโยชน์หรอกในเมื่อยายก็ใกล้จะตายอยู่รอมารอแล้วจะไปทำไมให้มันเสียเวลานั่นนะสิบอกให้พวกเราพายายไปไปฝังถ้ายังจะเข้าท่าขว่า <laughs> เด็กหนุ่มผมอยากโศกพูดเสริมเพื่อนสาวแล้วเพื่อนที่เหลือก็พากันหัวเราะโกันดังลั่น เหมือนกับเป็นเรื่องขบขันแท้เต็มประดาอ้าไปต่อถ้าไว้พวกเราอย่าเสียเวลากับยาเท่าอยู่นี่เลยนี่พวกเราก็ออกมานานแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ทันรับพรฤาษีเด็กหนุ่มมีคนที่อยู่บนมา้าตัวสุดท้ายกอตระกูลบอกเพื่อนเพื่อนแล้วทั้งหมดก็เดินทางต่อไปโดยที่ไม่แยแสหญิงชราอีกเลยหญิงชราก็มองตามขบวนเด็กหนุ่มเด็กสาวผู้หน้าจะมาจากตระกูลมั่งคั่ง ก่อนที่จะถอนให้ใจแล้วก็เดินกระย่องกระแย่งไปนั่งบนหินก้อนใหญ่ก้อนเดิมแต่เพียงครู่เดียวก็มีเด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบกลับมาหาหญิงชราพร้อมกับบอกว่าจะเป็นคนพานางไปเฝ้าฤาษีกรมุดเองแต่ถ้าให้ข้าประยุ่งยายเดินไปเราสองคนคงพลาดชมบา ร, รมีท่านนักบวชกรมุดเป็นแน่อ่าเอาอย่างนี้ยายขึ้นขี่คอข้าก็แล้วกันแล้วก็จับหัวเขาไว้ให้แน่แนๆนะจะได้ไม่พลาดตกลงมา ทีนี้ข้าก็จะพายายไปเฝ้าหรือสีได้โดยไม่ช้าเกินไปแต่เจ้าตัวเล็กแค่นี้จะแบกยายไหวหรอไม่รอกยายถึงข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็แข็งแรงมากนะนายน้อยของข้าก็คือหนุ่มน้อยที่ขี่ม้านําขบวนทึ่งแลดูมั่งขั่งที่สุดนั่นแหละข้าเป็นเด็กรับใช้บ้านเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของเขามาตั้งแต่เด็กๆข้าก็คุ้นเคยอาชินกับ ง, งานหนักเป็นอย่างดีแค่อุ้มยายที่ตัวผอมนิดเดียวจะทําให้ข้เหนื่อยได้ยังไง เจ้าหนุม่มเอ้ยเจ้านี่ช่างมีน้ำใจประเสริฐเหลือเกินแต่การที่เจ้าบกกลับมารับข้าไปอย่างนี้เจ้านายของเจ้าไม่ว่าอะไรเอาเหรอนน้อยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาบบกกลับมาหายายอะ่ะแล้วเขาคงไม่คิดที่จะใส่ใจเราอีกอย่างข้าก็เป็นคนแค่เด็กถือสัมภาระเล็กน้อยอยู่ท้ายขาบวนไม่มีความสำคัญกับใครเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกหากข้าหายไปสักเดี๋ยวหนึ่ง เสร็จแล้วเด็กหนุ่มก็ย่อตัวลงเพื่อให้หญิงชราก้าวขึ้นขี่คอเขาได้โดยง่ายเสร็จแล้วเด็กหนุ่มก็แบกหญิงชราออกเดินทางไปอย่างรวดเร็วไม่ช้าก็แบกมาถึงบริเวณที่ว่ากันว่านักบวชโกมุดจะมาปรากวดกายให้พรสิ่งที่ทั้งสองประจักษ์ในขณะนี้ก็คือฝูงชนจํานวนเป็นพันที่ล้อมรอบอยู่แออัดแค่ถึงตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีร่างของฤาษีโกมุดนั่งอยู่บนแค่แต่อย่างได เออเนี่ยนี่เป็นอันว่าท่านดุสีโกมุตจะมาให้พรพวกเราจริงหรือเปล่าวะนี่ฮะใช่นี่ค่าก็มายืนรออยู่นานด้วนะพระอาทิตย์ก็ใกลยย้จะส่องตรงขม่อมเต็มทีแล้วสงสัยจะเป็นข่าวโครมรอยซะละมัง้งโธ่เอ้ยนี่ข้าอุตส่าห์ทิ้งงานทิ้งการทั้งหมดมาเลยนะเนี่ยเมื่อถึงเวลาเที่ยงวันความร้อนจากไอแดดก็แผดเผาความอดทนของผู้คนให้หมดสิ้นไป หลายคนก็เริ่มเก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วก็พากันพูดคุยเรื่องที่ฤาษีโกมุดไม่มาปรากฏตัวอย่างเซ็งแสทางด้านเด็กหนุมซึ่งนั่งรออย่างอดทนอยู่กับหญิงชราเมื่อเห็นผู้คนเริ่มทยอยพากันกลับก็รีบบอกหญิงชราบอกว่ายายไม่มีใครเขาอยู่รอฤาษีโกมุดอีกแล้วละยายและพวกเขาก็ดูจงหดหงิดใจกันเลิศเกินยายรีบมาขึ้นมากี่คอค่าเร็วเข้าไม่งั้นเดี๋ยวคนหดหงิดพวกนี้เขา อาจจะไม่สนใจยายที่นั่งอยู่นะอืเขาอาจจะเดินเหมาทางนี้เดี๋ยวก็เหยียบยายเจ็บอะ่ะนะดังนั้นหญิงชราก็ปีนขึ้นไปขี่คอเด็กนมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หน้าแปลกที่คราวนี้เด็กหนมเนี่ยไม่รู้สึกถึงน้ําหนักตัวของหญิงชราเลยแล้วทันใดนั้นเองใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มคนที่พากันหันหลังจะเดินกลับก็ร้องตะโกนข hey, ึ้นว่าเฮ้ยนั่งไงล้วดูสิพวกเราหรือสีกอมมดอยู่ตรงนั้นเอง เด็กหนุ่มก็รีบมองหันไปทางหลังแต่ก็ไม่เห็นใครเอ้ยฤาษีโกมุดขี่คอเด็กหนุ่มคนนั้นน่ะชาวบ้านอีกคนก็ร้องขึ้นเสร็จ แ, แล้วก็หันมามองเด็กหนุ่มเมนตาเดียวเด็กหนุ่มก็คิดชงนในใจเอ้นี่ทุกคนกําลังมองมาทางเราเหรอใช่แล้วไอ้หนุ่มน้อยเอ้ยข้าเองคือฤาษีโกมุดที่ทุกคนกรอคอยอยังไงแล้วหญิงชรากล่าวพร้อมกระโดดลงจากของเด็กหนุ่มอย่างง่ายดาย เด็กหนุ่มก็หันไปมองด้วยความประหลาดใจหน้าตาของหญิงชรา ย, ยังคงเหี่ยวย่นอยู่เหมือนเดิมแต่ท่าทางของนางกลับคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับหญิงสาววัยรุ่นอีกทั้งยังมีประกายรัศมีฉายชัดอยู่รอบศีรษะคราวนี้ฤาษีโกมุดมาในร่างของหญิงแก่โว้ยเฮ้ยคนที่เหลือก็ส่งเสียงฮือฮาตามมาด้วยความตื่นตกใจทั้งหมดรีบพข้ามารุมร้อมฤาษีโกมุดพร้อมก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพนอบนบ้อมแก่ท่าน ฤษีโกมุดก็ขวากตามองทุกคนในที่นั้นแล้วก็ยกมือขึ้นทําสั ญ, ญลักษณ์ให้ทุกคนนั่งลงขอโทษด้วยนะที่ทําให้ทุกคนต้องรอจนถึงเวลานี้อันที่จริงข้าน่าจะมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วหากจะมีใครสักคนยอมยื่นน้ําใจให้ยายเท่าที่นั่งเหนื่อยล้าอยู่ข้างทางหรือเพียงแต่จะมีใครสักคนหันหลังมามองข้าซึ่งยืนอยู่ข้างหลังสุดนี่บังแต่เปล่าเลย พวกเจ้าเอาแต่รอคอยพรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจนละทิ้งความรักความเมตตาที่ควรจะมีให้คนอื่นจนหมดสิน้นโอ้ท่านนักบวชโกมุตผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเราเนี่นโง่เขลาโดยแท้หากมีใครในหมู่เราทําให้ท่านไม่พอใจอย่างนั้นขอท่านจงโปรดให้อภัยในความโง่เขลาของเขาด้วยเถอะเอาเถอะเอาเถอะในเมื่อข้ากล่าวว่าจะให้พรแก่ผู้คนที่ต้องการพรจากข้า ข้าก็จะให้พรแก่ทุกคนในที่นี้ตามที่ได้สัญญาเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามพรของข้าเป็นพรศักดิ์สิทธิ์และมีความบริสุทธิ์ดังนั้นหากใครเป็นคนดีมีใจคิดดีเป็นนิดพรของข้าก็จะส่งผลให้แก่ชีวิตคนนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดแต่ว่าผู้ใดใครที่มีใจคดเคี้ยวคิดเลวทําชั่วมากเป็นอาจิน พรของข้าก็จะส่งผลให้แก่คนนั้นได้น้อยลงตามไปด้วยเพราะข้าไม่ต้องการให้พร อ, อันประเสริฐของข้าไปตกอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรกล่าวจบท่านฤาษีก็ให้พรแก่ทุกคนที่มาเฝ้าท่านพรที่ท่านให้ก็คือขอให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ในคลองครองธรรมแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงตลอดอายุไขของแต่ละคนส่วนเจ้าเจ้าเด็กนมที่อุตส่าห์แบกข้ามาถึงที่นี่ด้วยความจริงใจ ข้าจะมอบพอรวิเศษให้แก่เจ้านั่นก็คือให้เจ้ามีอายุยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีและในขณะที่มีชีวิตอยู่เจ้าจะพบแต่ความสุขปราศจากโรคภัยและความเจ็บปวดใดๆใดๆ ไ, ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขยนอกจากนั้นหากเจ้าไม่ว่าอะไรข้าอยากจะรับเจ้าไว้เป็นลูกศิษย์ร่วมเดินทางและร่ำเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งหมดจากข้าเฮ้ย hey, ทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะ มีเสียงหนึ่งร้องตะโกนขึ้นอย่างไม่พอใจและร่างเจ้าของเสียงก็เดินแหวกผู้คนมุ่งตรงมายังฤาษีกกมุดแล้วก็ที่เด็กหนุ่มนั่งอยู่เจ้าเด็กหนุ่มก็ครางมาเห็นหน้าเจ้าของเสียงนายน้อยเออข้าเองเชื่อเถอะว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วแกจะต้องถูกเคียนอย่างหนักโทษฐานไม่ทําหน้าที่ติดตามรับใช้ข้าแต่มานั่งเสนอหน้าเพื่อจะรับพรพิเศษอยู่ที่นี่ ข, ข้าไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นเลยนายน้อย ข้าไม่รู้มาก่อนวัยยายคนนี้คือท่านนักบวชข้าเพียงแต่อยากจะช่วยยายแก่ที่น่าสงสารเท่านั้นเองไม่ต้องพูดมากอย่างไรเสียแกก็ต้องถูกลงโทษนี่ท่านนักบวชข้าเป็นนายของเจ้าทาาคนนี้แล้วข้าไม่อนุญาตให้มันรับพรจากท่านแม้แต่พรเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะถอนพร น, นั่นจากมันแล้วก็มอบให้ข้าซะดีกว่าแต่ฤาษีโกมดกับหัวเราะอย่างขบขัน <laughs> พูดอะไรแปลกประหลาดอย่างนั้นจาเด็กงโง่ ถึงเด็กหนุ่มผู้นี้จะเป็นค่ารับใช้ของเจ้าแต่พรของข้าก็ย่อมต้องเป็นสิทธิ์ขาดแห่งตัวข้าหากข้าตั้งใจมอบให้ใครมันจะต้องเป็นของคนผู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงและแน่นอนว่าข้าคงไม่ปัญญาทึบพอที่จะยอมให้พร อ, อสักสิทธิ์ของข้านี่ไปตกอยู่คนที่มีใจมืดบอดอย่างเจ้าหรอกคำพูดเหน็บแนมของฤาษีโกมุตทําให้เจ้านายน้อยของเด็กหนุ่มรู้สึกเครื่องแค้นเป็นอย่างมาก แต่เขาก็ยังพยายามควบคุมอารมณ์เพื่อที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเขาคิดว่าถูกต้องยังไงก็ตามเจ้าธาตนี้คือคนของข้าถ้าข้าต้องการอะไรมันก็ต้องให้เขาทั้งหมดเออหากเจ้ายังความจําดีอยู่นะเจ้าเด็กโง่เง่าเ อ, อ้ยข้าเด็ขอให้เขามาเป็นสิทธิ์ของข้าแล้วเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเด็กหนุ่มคนนี้คือสิทธิ์เอกของข้าไม่ใช่ธาตของเจ้าอีกต่อไปแต่ตามกฎหมายของแคว้นนี้ธาตรับใช้ถือได้เป็นสมบัติของเจ้านาย หากข้าไม่ยอมให้มันไปมันก็จะไม่มีทางไปไหนได้มิฉะนั้นมันจะต้องถูกส่งเข้าคุกหลวงฐานหลบหนีผู้ปกครองของตน <c oughs> ถึงจะไม่ยอมแต่ว่าพ่อของเจ้าคงไม่ว่าอะไรกันมั้งเจ้าก็รู้ว่าพ่อของเจ้าระนับถือข้ามากแค่ไหนที่เจ้ามาพบข้าที่นี่ก็เพราะถูกพ่อบังคับให้มาเพื่อฟังทำคำสั่งสอนจากข้าไม่ใช่หรอฮะ เจ้านายน้อยเด็กหนุ่มก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งก็ขบกรามแน่นเพียงเพราะเจ้า่าที่ช่วยแบกท่านมาท่านก็ให้พรพิเศษแกมันซ้ำยังรับมันเป็นสิทธิ์อีกด้วยท่านทำแบบนี้ไม่คิดบ้างหรือว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นนั่นเป็นความคิดของคนขาดเข่าอย่างเจ้าแต่สำหรับข้าข้าไม่ได้ให้พรพิเศษแกเด็กหนุ่มคนนี้เพราะเขาช่วยข้า แต่เป็นเพราะข้าเชื่อว่าต่อไปเขาจะต้องช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่คนที่นิ่งดูได้กับความเดือดร้อนของคนอื่นเหมือนอย่างเจ้าและก็เพื่อนเพื่อนผู้หน้าตำหนิของเจ้าเพราะฉะนั้นข้าจึงมอบพร อ, อายุยืนยาวแก่เขาเพื่อให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปอีกนานแสนนาน เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จงคิดดูให้ดีเถอะว่าพอรอันประเสริฐของข้านะ่ะสมควรจะมอบให้แก่ผู้ที่มีจิตใจงดงามอย่างเขาหรือเปล่ากล่าวจบฤศีกงมุดก็พาเด็กหนุ่มผู้ซึ่งตอนนี้ก็คือสิทธิเอกของเขาเดินทางออกจากแคว้นแห่งนั้นไปชาวบ้านในที่นั้นต่างก็พากันกราบไหว้คารวะแสดงความนับถือต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายส่วนเจ้านายน้อยของเด็กหนุ่มผู้นั้นว่ากันว่าเขาไม่กล้าย่างเท้าออกจากบ้านตนไปที่ไหนอีกเลย เพราะเกรงกลัวการด่าทอสาบแช่งของผู้คนซึ่งไม่พอใจในสิ่งที่เขาได้เสียมารยาท ต, ต่อฤาษีโกมุดผู้ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาไปในวันนั้นท่านทั้งหลายครับการทําความดีนั้นถือเป็นการกระทําที่อิสระเพราะเราสามารถกระทําได้ทุกที่ทุกเวลาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็เช่นเดียวกันขอให้ท่านช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นโดยคิดแต่เพียงว่าถ้าเขาพ้นทุกข์เราก็สบายใจ หากวิิตได้อย่างนี้เราก็จะช่วยใครๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกิดเป็นความสบายใจขึ้นและเมื่อท่านเกิดความเดือดร้อนขึ้นในใดวันในวันหนึ่งแล้วความช่วยเหลือก็จะมาสู่ตัวท่านโดยที่ไม่ต้องร้องขอสวยซ้ําพระพุทธองค์เคยตรัสถึงคนเป็นหมอว่าหมอเป็นบุคคลสําคัญซึ่งมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ดังนั้นหมอจึงควรมีคุณธรรมขั้นสูงคุ้มครองจิตใจแล้วต้องช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างของคนได้ หากหมอทำดีกับคนไข้ยอย่างไรก็เท่ากับทำดีอย่างนั้นต่อพระพุทธองค์ด้วยศา ส, สนาคริสต์เองก็ต้องการให้มนุษย์ทุกคนรักกนและม่อบความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีข้อแม้ใน จ, ใจิตใจเพราะว่ามนุษย์ทุกคนคือลูกของพระเจ้าเมื่อเราช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนก็เท่ากับเราได้ช่วยลูกของพระองค์ไว้นั่นหมายถึงว่าเราได้แสดงความรักของเราต่อพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันครับ